ทรงอนุญาตให้ภิกษุหลายวัดทำโอโบสดร่วมกันสมัยนั้นในกรุงราชเครือาวาสหลายแห่งมีสีมาร่วมกันภิกษุทั้งหลายในอาวาสเหล่านั้นกล่าวแย้งกันว่าขอทรงจงทำโอโบสถในอาวาสของพวกเราขอทรงจงทำโอโบสดในอาวาสของพวกเราภิกษุทั้งหลายจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ พ, พระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลาย ในกรุงราชเครื่อนี้อาวาสหลายแห่งมีสีมาร่วมกันภิกษุทั้งหลายในอาวาสเหล่านั้นกล่าวแย้งกันว่าขอสรงจงทําอุโบสถในอาวาสของพวกเราขอสงจงทําอุโบสถในอาวาสของพวกเราภิกษุทั้งหลายภิกษุเหล่านั hm ้นท right> ุกรูปต้องประชุมทําอุโบสถในที่แห่งเดียวเท่านั้นหรือภิกษุผู้เทระอยู่ในอาวาสใดก็ต้องประชุมทําอุโบสถในอาวาสนั้น สงไม่พึงแบ่งพวกกันทำอุโบสถภิษุสงหมูใดพึงทำต้องระบัดทุกคนก